พิววมันอาจจะอยู่แบบนอกตัวอย่างเงี้ยนอกร่างกายมันอาจจะอยู่แบบแบบบนอากาศขึ้นไปข้างบนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยในความเข้าใจของผมนี่แหละคือที่บอกว่าสปปรรพสิ่งที่สุดคือความว่างเนี่ยครับผม ท่านอื่นมีอะไรัหมครับขึ้นมาได้นะครับผมให้เรื่องฟรีวิวเนี่ยหรือเรื่องความว่างหรือว่าอิสระภาพหรืออะไรพวกเนี้เขาก็ถกกันมาเป็นร้อยปีแล้วเหมือนกันเนาะแล้วถกกันมาเป็นร้อยปีแล้วเหมือนกันว่าว่ามันคืออะไรยังไงมันมีจริงหรือมันไม่มีจริงมนุษย์ถูกเนี่ยถูกสร้างและถูกกาหนดโดยพระเจ้าหรือว่าจริงๆแล้วมนุษย์จิตมนุษย์ ม, ยมอีอิสระ สูงสุดที่จะแบบหาอิสระให้ตัวเองโดยสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับสองฝ่ายที่กำลังสู้กันอยู่นะครับก็ตรงหัวข้อเลยนะครมาสู้กันอยู่แล้วก็คุณจะเชื่อข้างไหนนะครับคุณถ้าคุณจะเชื่อข้างที่หนึ่งก็คือคุณถูกกำหนดโดยพระเจ้าแล้วก็ทําตามสิ่งที่พระเจ้าบอกไปนะครับหรือว่าคุณจะเชื่ออย่างที่สองก็คือ ทำจิตให้ว่างนะครับซึ่งกระบวนการมันก็จะว่ากันไปตามการปฏิบัติอะไรของศาสนาพุทธอะไรก็ว่ากันไปอีกทีนะครับเพราะคุณจะไปเชื่อทางไหนนะครับจะเอาฟรีวิวแบบไหนนะหรือว่าจะเอาแบบครึ่งครึ่งินดนก็คือในคริสเองเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้ากําหนดทุกไม่ได้โดนปัะดานทุกการกระทาในจิตใจมนุษย์ใช่ไหมครับแต่ให้มนุษย์มีอิสระบ้างในการเลือก หรือเปล่ามีมีมีบทที่พูดประมาณนี้ไหมคือการสร้างโลกใบนี้ให้มนุษย์เกิดมาบนโลกเนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนกับให้มนุษย์มีอิสระในการเรียนรู้ความดีความชั่วด้วยจิตวิญญาณของมนุษย์เองอะไรประมาณนี้มีบทแบบนี้ในคริสไหมครับอืมมีอยู่ครับแต่ผมนึกไม่ออกขออภัยจริงๆแต่ว่ามีอยู่แต่คราวนี้อย่าลืมว่า ในศาสนาคริสต์นะครับเขาไม่ได้มีกลุ่มเดียวไงเขามีนิกายแล้วเขามีนิกายย่อยกลุ่มย่อยอีกเยอะมากซึ่งในการตีความเรื่องพวกเนี้ยมันมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างกลุ่มคาวแวงนะคาวแวนหรือคาวินิซึมเนี่ยที่ที่เขาเรียกกันเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเหมือนกับพระเจ้าเนี่ยกําหนดมาแล้วว่าคนคนนี้มีสิทธิ์จะขึ้นถวัลหรือเปล่านี่ออกไหมหมายถึงว่า คล้ายๆว่าพระเจ้ากำหนดอนาคตมาล่วงหน้าแล้วว่าคนคนนี้จะได้จะได้ไปสวรรค์หรือจะตกนรกอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่กลุ่มอื่นๆซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่กว่าเขาก็บอกว่าเชื่อแบบนี้มันใช้ไม่ได้เหมือนประมาณว่าคุณก็ต้องเชื่อสิว่าเออพระเยซูเนี่ยมาเพื่อที่จะมาแบบว่าถ่ายบาปให้กูแล้วทุกคนก็จะเชื่อพระเยซูจะรื้อสวรรค์มันก็เหมือนมันก็เหมือนอทฤษฎีมขัดแย้งกันเอง แต่คาว์าวินเขาก็ยังยังเผยแพร่สต่ากลุะะ่มคาวินเนี่ยนะเขาก็ยังเผยแพร่อยู่นะแต่ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นปัจญาหนึ่งที่ที่กลุ่มอื่นในหลายๆกลุ่มไม่ยอมรับอะไรพวกนี้ยแต่ว่าไอ้เรื่องเจเจํานงเสรีผมจําข้อความเป็นใบเบอร์ไม่ได้ต้องขออภัยจริงๆนะครับคุณแอนดี้จําได้ไหมผู้ใช่ใช่ครับพระเจ้าให้อิสรภาพในการเลือกครับจําไม่ได้เหมือนกันเขาบทไหนแต่จําได้ว่า อยายามให้อิสระภาพครับเนี่ยมันจะมีเรื่องไอ้ความขัดแย้งพวกนี้ในกลุ่มนี้กายย่อยพี่แยงกลุ่มคุมค่าวินอย่างเงี้ยแล้วก็ อ, อปตรตนกลุ่มอื่นก็คือจะไม่โอเคกับแนวคิดนี้มันก็จะมีเหมือนกันครับคุณอูฟูฟยมีอะไรฝากข้อความไว้ได้ไหมครับถามได้คุยได้นะครับผมได้ครับก็เอเรื่องเรื่องฟีวิลใช่ไหมครับได้ไ ด, ได้หมดหได้หคุยวิผู้สร้างก็ส่วนตัวผม ก็เชื่อว่ามีผู้สร้างครับอันนี้ก็ส่วนตัวนะครับแล้วก็ครับครับคุณคิดหน้าตาเป็นไงครับผมไม่ไม่ไม่รู้เลยครับแต่หมายถึงว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีมีต้นกําเนิดอะไรสักอย่างออกมาเป็นทั้งหมดเนี่ยครับอเป็นเป็นความเชื่อครับไม่ไม่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรครับอขอบคุณครับ ก, กอ็อย่างเช่นเมื่อเมื่อคืนที่ฟังคุณโอ๊ตพูดน่ยอย่างเรื่องฟิโบนัชีเรื่องโกลเด้นเลชเชอร์อะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องความบังเอิญหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นผมว่ามันก็มันก็ไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะบังเอิญได้แบบพอดีเป๊ะขนาดเนี้ยครับหรือแบบขนาดของดวงจันทร์อะไรประมาณเนี้ยครับมันดูเป็นระเบียบเกินไปเงี้ย่มันมันออกมาได้ขนาดนี้เลยเหรอแบบอย่างขนาดของดวงจันทร์ที่มันพอดีกับดวงอาทิตย์นในระยะทางของเราอะไรอย่างเงี้ยครับ เรายังรู้สึกว่าพระที่กับพระอาจารย์ขนาดเท่ากันในอย่างใช่ไหมใช่ใช่ครับบางว่ที่มันก็ไม่เท่ากันอ่าใช่อะไรประมาณนี้ยครับมันมันแบบพอดีไปหน่อยเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับในความคิดผมแล้วครับแล้วก็อย่างเรื่องฟรีวิวผมก็คิดว่ามันเมื่อก่อนผมก็คิดว่ามันฟรีครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าอาจจะไม่ฟรีเท่าไหร่ก็คือเหมือนกับ มันอาจจะมีการกําหนดไว้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่วนตัวนะครับอืมขอบผมเมื่อก่อนเคยดูสรารคดีอันนึงแต่พอดีผมผม น, นึกชื่อไม่ออกแล้วมันเอาคนไปเข้าในเครื่องเอ็มอาอะครับแล้วก็แบบเหมือนให้ตอบคําถามแล้วเขาก็จะวัดว่าเอในตอนที่แบบเหมือนเหมือนเข้าไปในเครื่องแล้วก็อาจจะให้ตอบว่าซ้ายหรือขวาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าเขาบอกว่า มันมีสัญญาณในสมองอ่ะเกิดขึ้นก่อนที่คนจะได้รับคำถามด้วยซ้มอะครับอืมไอสารคดีนี่ผมเคยดูว่าเหมือนเขาไปจับได้ว่าไอสัญญาณตัวที่สั่งให้เราตัดสินใจมันมาจากสมองส่วนที่เราควบคุมไม่ได้อะสมองส่วนนั้นจะสั่งมากกอนและไอสมองส่วนที่เราเป็นตัวคิดเริ่มอะถ้าภาษาพูดให้คำาอะไรปูริสการเหรอความคิดเริ่มมันจะมาทีหลัง แต่ว่ามาโดนสั่งมา ก, ก่อนจากจิตใต้ํานึกแล้วแล้วก็ผมผมเคยแบบว่ามีความรู้สึกที่แบบเหมือนมันมีอะไรส่งมาหาเราอะครับมันมมันมีจุดหนึ่งของสภาวะของจิตใจเราที่แบบมันสัมผัสอะไรบางอย่างได้ครับอันนี้ก็อาจจะเวเอร์นะเรื่องนี้มันไม่เวอร์นะผมเคยเห็นในรายการอยู่รายการหนึ่งอันนี้เคยดูมันจะมีผู้หญิงคนนึงเป็นนักสเก็ตภาพเขาสามารถวาดรูปคนเนี่ย ที่มองไม่เห็นที่แบบอยู่ในสตูดิโออยู่ในห้องทรงเนี่ยสามารถวาดออกมาได้โดยที่ยังไม่เห็นนะจะใช้จิตสื่อในการวาดออกมาแบบเอาผ้าปิดตาแล้วก็ให้วาดออกมาสรุปว่าออกมาหน้าเหมือนเป๊กกับทุกคนเลยใช่ก็เลยเหมือนๆหลังๆมากผมก็เลยเริ่มลังเลแล้วว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้ฟรีวิวแล้วก็หลายๆอย่างมันอาจจะถูกวางเอาไว้แล้วอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นรายการฝรั่งก็ผมว่ามันคงไม่น่างงไงครับผมว่ามันมันอาจจะพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์เหมือนเด็กที่ตาบอดนะครับเขายังสามารถเดินได้เลยใช้โซน่าเอาใช่ไหมครับในการดีดลิ้นกระดกลิ้นให้เสียงมันกระสท้อนออกมารีเฟกเออกมามันก็แปลก ด, ดีเหมือนกันอ๋อหมายถึงว่าใช้ใช้เสียงในการสะทอนและนาทางแบบแดร ด, ดีวิวลอย่างเงี้ยเหรอรแบบว่า ในเดคใครดูไอเดเดวิลปะหนังฮีโร่อ่ะที่พระเอกตาบอดอะเดะเดวิลอ่ะเหมือนพอตาเรามองไม่เห็นเราก็เลยไปใช้สัมผัสทางหูเยอะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมทำงงนั้นอะ แล้วก็มีเด็กที่ตาบอดแต่ปั่นจักรยานได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ชนด้วยไม่ชนกับใครด้วยอันนี้ผม<ไ>เคยดูเป็นสกรูข่าวใไทยนะที่ที่เขาไปเจ อ, อลุงคนหนึ่งตาบอดแต่แกสามารถแบบขี่จักรยานในซอยไปได้เรื่อยอเงี้ยแกก็บอกว่าเออที่แกทําได้เพราะว่าแกตะกดแฟร์ดิ้งจักรยานไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้แล้วก็ฟังจากเสียงก็จะรู้ว่ามันใกล้กําแพงหรือยังข้างหน้ามันมีของขวางอยู่ไหม อ๋อใช้กดกระดิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังเสียงสะท้อนเหมือนคขังคาวเลยเนาะโซน่าอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับใช่หน้านาทฤษฎีเดิมอะไรอือยิ่งดูสถานดีมันยิ่งน่าประหลาดใจเพราะบอกปาวานสามารถส่งเสียงอ่านโซน่าดินไปถึงทวีปนึงเลยเพื่อเรียกฝูงวานข้ามทวีปเลยเหรอใช่ครับวานวานน้ําเงินนะตัวมันใหญ่ขนาดไหนวานน้ำเงินเนี่ยเท่ากับ ก็กินแพงตอนวันหนึ่งแน่จะเป็นตันนะครับอืมเออนะบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เกินที่มนุษย์ทั่วไปจะจินตนาการได้เนาะพูดถึงเรื่องว่าโล่เออผมผมเคยดูสารคาดีอยู่เรื่องนึ่งนะก็คือปรับไอท้ทั้งวานทั้งโลมาเลยครับมันจะร้องเพลงเป็นเนาะเพลงเพลงในคืนเสียงของมันเนี้ยครับเวลามันจะจีบตัวเมียมันก็จะแบบคิดเพลงขึ้นมาเป็นเพลงใหม่ ถ้าเพลงไหนฮิตมันก็จะก๊อปกันไปเรื่อยๆร้องกันไปทั้งทะเลเลยฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยลองไปแต่งเพลงกันบ้างที่มันเป็นในคืนคืนเสียงที่วานกับโรมามันได้ยินะนะ่ะเนาะแล้วเขาก็ปล่อยเพลงนี้ออกไปแล้วมันก็กลายเป็นเพลงฮิตอยู่ในทะเลของพวกวานกับโรมากันดู่พักหนึ่งฮะเอออันนี้มีลิงก์มหมแปะลิงก์ให้ผมส่งลิงก์ให้ผมหน่อยนี่ได้ได้เดี๋ยวผมไปหาบ้างก่อนเออเอาเพลง <หา S 2> เอเพลงบ้าวานอ<ร>ะ ไอ้แต่แต่มันก็ไม่ได้เป็นเพลงให้เราฟังนะคือเราเปิดเราก็ไม่ได้ยินหรอกมันต้องเป็นแบบเป็นพวกโลมาเอเหมือนเป็นคลื่นในเสียงที่เราไม่ได้ยินนะครับมันเป็นฟังเสียงที่เราไม่สามารถฟังได้ใช่ไหใช่ใช่ครับเดี๋ยววันสี่ทุ่มครึ่งจะปิดแล้วนะครับเออคุณโชติศักดิ์สวัสดีครับมีอะไรจะถามไหมถามได้คุยได้คุณโกสนะครับขึ้นมาได้นะครับ แล้วก็ท่านอื่นนะครับคือเวลาสวัสดีคุณกาฟิลเมื่อกี้เข้าไปแล้วหายไปไหนจะถามอะไรไหมครับผมอะไรนะครับผมจะถามจะคุยอะไรไหมคุยได้นะก็จะมีคติเรื่องเรื่องของบางบรรอยางนะครับผมแต่ว่าไม่ไม่เกี่ยวกับศาสนาอ่าคุยได้ครับนิดหน่อยมันเริ่มไปลายแล้ว ก็อยากให้คนคนึงนะครับคิด